<c oughs> ขอขาบธรรมการขับเคล ว, ว พ, พระพระต น, นาไตคื <c oughs> อพระพุทธธรรมประสงค์ข อ, อ น, นรรมการครูบ า, าอาจารย์หลวงพ่อใหญ่ที่เคารพอย่างสูงหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อพระเทลานุเทละตลอดตั้งภิกษุ ของพี่สองพ่อทุกๆ ท, ท่านนั่งตามสบายทำท ำ, ทำวัดก็อนทวัดเสร็จแล้วก็ได้พากันฟังธรรมทุกวันทุกวันพูดทาทาพูดดีๆก็พอฟังชาบูกไม่ดีก็ไม่ไมน่าฟัง ฟังดีก็ฟังไม่ดีก็ฟังผพ่อนี่ไม่อยากพูดหรอกเท่าแก่แล้วหลงหน้าหลงหลังไม่รู้จักอะไรหรอกฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ฟัง พวกเราทีม่มาที่นี่ก็คือมาประพฤติปฏิบัติธรรมคือมาประบัติรเรื่องชีวิตตัวเองให้ตั้งใจฟังไม่ไม่ไมไมเหมือนที่ไปเราไปเรียนหนังสืออันนี้คือมาป ร, ประพฤติปฏิบัติไม่ได้เรียนจากตำรา เ, เรียนจาก ชีวิตจิตใจของตัวเองตัวแล้วแต่ใครจะปฏิบัติไปตัวแล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้นมาให้เราพูดไม่ได้ตั้งว่าจะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดเห็นอะไรแล้วก็จะพูดไปเนี่ยบางผิดบ้างถูกบ้างถ้ามันผิดพลาดบ้างเราก็ขออาภัยด้วยพวกเราเกิดมาเนี่ยหวังจะ้าคน ความดีทุกๆคนนั่นแหละความดีมันก็มีอยู่ทางโลกนี่แหละอันดีก็มีอันชั่วก็มีแต่ว่าบางคนก็มาศึกษาเรื่องชีวิตตัวเองนี่ก็ไม่เข้าใจผมนี่แหละตัวหนึ่งไม่เข้าใจตั้งแต่ก่อนมาประพฤติปฏิบททัติทมนี่ก็คิดว่าถึงที่มันเกิดขึ้นมาให้เรา ได้เรียนได้จำํำมันนี่ก็นึกว่ามันจะอยู่ทางภายนอกเคยทําไรทํานาเคยทํามาหากินมันก็ออกไปตัวเนี้ยมีรักบ้างมีชังบ้างมีเสีย อ, อกเสียใจบ้างไปหาไปร้อยแปดผลประกา ร, ต, รตัวเตี้ยวแต่มันจะพาไปแล้วก็ไม่รู้จักที่ว่าจะเอาอะไรสับสนวุ่นวายดึงหน้าถอยหลังไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนดีจะพูดอะไรดี ก็พูดไปตามเหตุตามปัจจัยตามมันเป็นไปวันนี้ก็จะอาจจะเป็นแบบแบบนั่นเหมือ น, น, น, นกันนั่นแหละคนพูดเดิมมันก็จะพูดเรื่องนั่นแหละเรื่องเก่านั่นแหละเนี่ยหลวงพ่อเน่ยเคยหลงมาแล้วเนี่ยหลงมาตั้งแต่เข่าแต่ก่อนหลงตัวเองเลยไม่เคยเห็นเลยมาเห็นตัวเองเนี่ยเห็นในครูบาอาจารย์ว่าการหลงตัว ตนลืงตัวหลงกายลืมใจเนี่ยเป็นของที่บาปมากที่สุดเกิดมาทั้งชาติาก็ไม่เห็นตัวเองขอ้อตั้งแต่มันจะเป็ียนไปไม่เห็นตัวตัวเองล้วก็ไม่เชื่อหรอกว่าไม่เห็นตัวเองก็บ้าท่านันแหละว่างั้นคนไม่รู้จักกายไม่รู้จักใจนี่ก็บ้าคนไม่เห็น กายเห็นใจตัวเองก็ไม่มีว่างนั้นว่าตัวลู่เลยจึงเต็มทีเต็มทีแล้วอะ ว, ว่าแต่ตัวลู่ตัวถูกแล้วพออาจารย์มาถามนั้นแหละหลวงพ่อรู้จักลูกทุกนามไหมว่างเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์มาถอนมาถามผมรู้หมดแล้วครับว่าก <c oughs> ายผมก็รู้จกักใจผมก็รู้จกักพอทานมาเอามือยกมือหน่นนอยนะหลวงพ่อ อันนี้นี่อะไรเนี่ยท่านตอบไม่ได้เลยไม่ได้มันรู้ว่าอะไรเป็นกายอะไรเป็นใจรู้อยากเป็นอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามไม่รู้เลยหลวงพ่อยังไม่รู้หรอกไม่รู้อะไรเลยหลวงพ่อยังไม่รู้เลยจะไม่เข้าใจนะหลวงพ่อนะท่านบอกเสียใจแล้วบัดเนี่ยเสียใจว่าตัวเองวานรู้แล้วมันไม่รู้มันไม่เห็นคือเสียอกเสียใจแล้วไม่อยากจะพูด แล้วบะเนี่ยว่าอยากไงให้พูดบอบไม่พูดเลยถามมาก็ไม่ปอดไม่ปากออากาลังปฏิบัติอยู่ก็ท่านก็มาจับนะจับแขนะนนี่อะไรเนี่ยอันนี้อะไรมาจับแขนแขนครั บ, รบ น, นี่อะไรขาครับเอให้จับไปแล้วก็<อ>มันก็ตอบถูกไปนั่นแหละตอบถูกจำคนที่ไม่รู้จัก หมู่เขาก็หัวขวัญนอ่แหละพวกที่เขาเขาลู่เราก็ตอบไปตามยถากรรมของเราแหละตามภาษาคนไม่รู้เราก็ไม่รู้จักว่าเอาอะไรเป็นอะไรจับต้นตนไปก็ไม่ได้เอาปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบไม่ได้พักเล ย, เเลยง่วงเหงาเ h o m o นอนก็ไม่ได้พัก ทางทำดีๆทำเอาบระกอบไปหาขุดหาถากที่ไหนที่มันสูงมันต่ําก็เฮ็ดทําำสนแน่กว่านี้ดีทำดีๆแหละว่ามันดีแหละพอมาปฏิบัติเข้าแล้วความงอเขาเขานอนเข้ามาเขาก็มีแต่หลุมแต่บ่อมีแต่ตอแต่อะไรโนนโนก็มีต่ำต่ำก็มีล่มตะกุบตะคางไปอย่างนั้นแหละ ไม่รู้จักว่าจะทำาไงดีความหงงเอาเห้านอนเนี่ยกไม่เคยอยากนอนเอาก็ดอกก็เดีย ด, ดกตั้งแต่ก่อนพอมาปฏิบัติเขา้าต้นนี่นแหละจับต้นทนไปไม่รู้จัก อ, อยากนอนมืดหน้ามืดตาเดินไปก็เซซกเซสายเซหน้าเซหลังบางทีก็ไปโดนไมมชนไมเนะ่ยหน้าผากโน no. ตื่นเช้ามามาดูแล้วมันเขียวหมดเลยหน้าผากบางทีก็เดินไปเดินไปก็นอนหลับนอนหลับกันลมต่ำลงเลยลมก็ลุกขึ้นได้ก็ไปยิกเป็นงั้นแหละเอาให้มันตายซะก็ว่างันบอกเจ้าของตายทําอยู่ตั้งสองเดือน3าเดือนพันษาหนึ่งก็ยังไม่รู้จักเลย ข้อทําไปอย่างนั้ น, นแหละพอทําไปทํามานี่ค่อยฟังครูบาอาจารย์คนนั้นพูดคนนี้พูดเขค่อย เ, เลยเกิดสงสัยสงสัยก็มาดูตัวเองมาดูการเคลื่อนไหวนี่แหละดูไปดูมาดูไปดูมาอาไม่เห็นเลยครูบาอาจารย์ก็สอนสอนมาให้ดูความรู้สึกนะ้าดูให้รู้ตัวตาพ่อหน้าหลวงพ่อ นึ่ว่ามันจะลูกตหมดเนื้อหมดตัวก็ไม่รู้จักว่าลูกเดียวตัวเท่าพรอมเนี่ยคิดว่ามันจะลูกจะเห็นก็เดินไปหมดวันนั่นแหละทั้งเพ่งทั้งจ้องทั้งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดอยากรู้อยากให้มันเป็ี่นมันก็มัมาเห็นมันเกิดครูบาอาจารยก์ก็มาถามมาถามก็ เหมือนเดิมวันนี้ปล่อยแล้วคู่บาอาจารย์นะที่แรกนี่มันมันมันรู้จักภาษากันอยู่อมันคิดออกไปเนี่ยก็ก็ถามถามถามถามตัวเองก็เป็นมันจะไปไหนอย่างเงี้ยมันก็ถามเป็นถามมาตัวนึงตัวที่ไม่อยากตัวขี้เกียจที่คันนั่นแหละมันไวกว่าเขา พอครูบายตานมาถามเนี่ยมันจะไว้เขาก่อนเขาถ้าไปมันพูดไปพูดไปถูกพูดไปก็ไม่ถูกแล้วมีอะไรมาอะไรเห็นตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงหัวได้ยินอะมานั่นแหละมั น, ม, นมันวิ่งไปก่อนเขาแล้ววิ่งไปก่อนไปถามไปอยากไปหาเขาอยากไปคุยกับเขาอตัวหนึ่งมันว่าจะไปไหนมาอะไรเดี๋ยเนีย เออทำไม่ไมด่ดูตัวเองไป่ดูแต่คนอื่นแท้มันก็ถามหามันก็ถามมันก็ว่าค่อยถามเป็นแล้วแหละถามไปถามมามีครูวาจะไหนมาถามอ่ะให้ตูตัวท่อพ่อมเนี่แหละก็เดินหายไม่รู้ตัวท่อพ่อมนะ่ะเดินหมดวันหมดคืนมันก็ไม่เห็นดูตัวเพาะทั่วพ่อมนะ่ะไม่รู้จักไม่เข้าใจวันนี้ก็ อยู่อยู่อยู่จิบสิบสามจิบสี่เดือนเกือบจะพอนั่นแล้วเกือบถึงถึงสิบห้าเดือนแล้วยังไม่มาะไม่ไม่รู้อะไรเลยครูบาอาจารย์ท่านก็ปะทิ้งเลยปะเนี้ยปะทิ้งไม่ดูแลไม่แลแล้วถามเมื่ อ, อไรท่านก็ไม่ไม่อยากว่าไกลแล้วเว้นหนีไปไกลๆพอไมอ่เห็นหลวงพ่อก็ไปไกลๆหลวงพ่อก็เดินอยู่งั่นแหละดูเดินไม่หยุดไม่หย่อน มันคิดไ ป, 108, ปร้อยแปดบรรพการไปอยู่ในความคิดบางวันนะ่ะอไปอยู่ในความคิดโลกระพามันคิดคิดเพลิดเพลินไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องอะไรคิดไปเรื่อยๆไปง่วงเงาเฮานอนก็ไม่มีแล้ววันนะี้โอ้หลวงพ่อคมนี่สลได้อารมณ์แล้วว่าไงห น, น, น้าตาเบิกบานไมง่ง่วงง่วเงาเลยว่าไงนะครูบาอนะาจารย์ท่านพูดกันให้ให้ใหลวงพ่อได้ยิน โอ้ยมันจะพูดแต่มันจะได้อะไรเนะาะคิดว่อยู่ตรงพ่อก็ตั้งพามันคิดมันก็ไม่ง่วงงอเฮานอนแล้วคิดเรื่องไหนอดีตที่มันเคยสนุกสนานมาแต่ก่อนแต่ก่อนก็ไปเอาคนจีเรี่องนั้นมาคิดมาพูดเรื่องอดีตยังไม่แต่มันก็มันหมดมาแล้วก็เอามาคิดนั่นแหละมาเรื่องเก่านั่นแหละมันไม่คิดอ่ะ ไปเที่ยวที่ไหนสนุกสนานก็เอานัแนแหลมมาคิดอะ่ะมันก็สนุกสบายไ ป, ไปเคยไปท่ทองเที่ยวที่ไหนมันก็ไปตามเจตคติกรรมของมันมันก็ไปไงฮะบัด น, นี้ ม, มันมันไม่ได้แทก้ก็ความรู้สึกเนี่ยเดินหาความรู้สึกเนี่ยจนว่ามึ น, มนไปหมดเนื้อหมดตัวเลยเดินกันเดินไปตามทางที่ทําไว้นั่นน่ะ กลับไปกลับมากลับไปกลับมารู้ตั้งแต่สองสามก้าวทอนนี่แหละนอกนั้นมึนไปหมดเลยมุดมุนมึนมดเนี่ย ห, ห, หมดตัวเลยวันนี้ ก, ออ ก, ก็ออกจากคืรูบาอาจารย์มาตั้งแต่นู้นแหละตั้งแต่วัดสนามในนู้นนะก็มาบ้านมาเห็นพ่อจารันหงพ่อจารันก็ไปหานลวงพ่อจารันให้ท่านไป ให้เก็บอารมณ์สิบสองวันติบสองวันก็มันโศสุดหมดทุกอย่างเลยหมดอะไรแต่อยากแล้วนึกว่าร่ำใจากตายอยากไปฆ่าตัวเองเยเราเนี่เกิดมาเนี่ยเกิดมายัางไงไม่ได้สร้างปารมีไม่ได้สร้างความดีเลยสร้างแต่ความไม่ดีให้ตัวเองมาลงโทษตัวเองหม ด, หมดอยากจะตายอยากจะนั่นไปนั่นแหละคิดไปคิดมาก็ มันจวนจะได้ออกจากอารมณ์แล้วอันเนี้ยไม่เห็นตะลูกก็อเอ๊ะลูนี่มันเป็นตัวยังไงตะลูกเนี่ย<อ>ก็เดินไปเดินมา<อ>ก็เอามือมาไว้ทั้งหลัง<อ>มืออยู่ไหน<อ>ก็ถามตัวเอง อ, อยู่มืออยู่ทั้งหลัง มันมันใช่ไม่ใ ช, มใช่ตัวนี้หรือตัวรูถ้าถ้าจะเป็นตัวนี้มั้งคิดอยู่ในใจว่าตัวว่าตัวเองอะ่ะมันนี่ก็ทำไปทำไปมือไวทา้งหลังกรรมก็รู้จักเหยียดก็รู้จักเอ๊ะถ้าตัวนี้จะเป็นตัวตัวรูแท้แน่แล้วมันนี่ก็ไปเดินอีกเดินไปเดินมาก็ไปหาจิบน้ำเอามาแทงตินตัวเองมันมึนยังหายแทงไปแทงมาแทงลงไปงไม่ก็เจ็บนะ ผู้จะเก็บอ้าวมันว่าไม่รู้ตึกมันยังกิวรู้จักเก็บอยูออย่หรือว่างกันเพราะว่าไปตามประษาเป็นคนไม่รู้เนี่ยวันนี้ก็มานังน่งมาเดิ น, เ ด, นเดินไปดํปารับตาหลนะับตาไปไหนะลับตาไปเก้าก็ไปรู้จักเข้าเข้าใจา เ, ดเดินไปเก้าวใดก็รู้จักเดินไปเก้าวใดก็รู้จักเอะตอัว น, นี้ตัว น, นี่ตัวรู้นะเนี่ยอมันรู้อยู่ทําไมมันว่าไม่รู้ ตัวนีแนแน้แน่แหละเออมากรรมก็รู้จักมาเหยียดก็รู้จักรู้จักเหยียบมือกับมือก็อยู่ตัวนั้นแหละว่ะเนี่ยตัวรู้นเนี่ยเก้าไปเก้าใดก็รู้เหยียบตีนเพราะเหยียบเก้าไหดทีใดก็ไปกระทบกับพื้นมันก็ดูลูบลูบไปลูบไปลูบไปจิตใจของเราตั้งแต่ก่อนมันเคยคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องสารพัดอย่งนั้นไม่คิดไปมันไม่มีที่ทพึ่งที่พาอาศัยแล้วก็มือนก็ ทุกไปกับมันเรื่อยไปบัดนี้มันเข้าใจบางแล้วก็มาตามรอยที่เราก้าวไปเดะก้าวไปก้าวใดเราก็รู้ก้าวไปก้าวก้าวใดเราก็รู้ก็ไปเห็นบัดนี้ก็ไปเห็นตัวรูนี่แหละคักคักแล้วเนี่ยยังได้แก่ตัวรนี้แหละบัดนี้กีดใจของเรามันเคยคิดมันไม่คิดบัดนี้มันอู่กับตัวรูนี่ เข้าไปที่ไหนก็รูปไปรูปมาลูปจะตลอดวันในวันนั้นห่งวงเหงาเขานอ น, อนไม่มีเบาเนื้อเบาตัวบางทีก็ผืดเคียงขึ้นมาก็ไม่ไปอยู่กับตัวนั้นมาอยู่กับตัวรูปนี้ตัวเคลื่อนตัวไหวนี่อกายข้อเคลื่อนไห ว, วรไเราก็รู้จักมันคิดไปเราก็รู้จักเอ๊นี่ตัวนี้แล้วตัวนี้แล้ ว, ต, ว, ลวตัวที่เราหาอยู่เนี่ย ก ään, ็มาอยู่กับตัวนั้นเนี่ยเอาไปงมาพอตะเวนบ่ายนี่ก็ปวดปวดไทยปตะวะว่าไปเข้าห้องน้ําพอจะไปจับประตูนั่นแหละมันคล้ายๆกับมีอะไรมันมันดึงดูดใ่กันมือกับไม้นะกับประตูนะเอ๊ะมันมาเป็นแบบนี้น้อว่าก็เดินไปเดินไปก็เห็นอยู่นั่นแหะตบายตบาย อคิดพอคิดออกมาเนี่ก็เห็นคิดมาแล้วก็เห็นบางทีก็ติดไปติดไปก็ไม่ไกลหรอกจากจุดทห้าเก้าเนี่ยมันก็มันก็คิดเห็นว่ามันไปอยู่ในความคิ ด, คดก็พากันเรี่ยงความเปลี่ยนเขา้าเรี่ยงความเปลี่ยนเขา้ามันก็เลยเบาเดี่ยวเบาตัว ต, ตอนคืนก็ไม่อยากง่วงนอนเนี่ยไม่ง่วงนอน อยากนอนก็นอนก็ได้แต่ไม่ถึงถึงเวลานอนแล้วก็นอ น, น, อนไม่แต่ไม่ไ ม, ไม่นอนก็ได้ เ, เพลิดเพลินอยู่ไงแหละเบาสบายเนี่ยสบายตัวก็คึกดีใจว่าเอ๊ะเรานี่จะจะรู้ธรรมะแท้ๆด้วยแบบเนี้ๆๆยตั้งแต่ก่อนมันไม่รู้แบบนี้บัดนี้มันทายจะรู้เลยเนี่ย <WhatsApp> ก็ทําไปทํามาทําไปทํามากลางคืน <het nhưng S 1> ตอนคืนเนี่ยจะเหยียดแข่งเหยียดขาไปไหนก็รู้จักมิดเลย ฝันก็ฝันดีนอนก็นอนดีสบายสบายหายใจก็ไม่เคยไม่เคยเป็นแบบนั้นหายไปเต็มพุงเต็มปอดเบาเนี่ยเบาตัวสบายหมดนบสบายใจเจณก็ใหก็ใจเย็นดีหายใจไปก็แต่ก่อนมันร้อนหายใจออกลมออกมาก็รู้จักว่ามันเย็นมันสบายดีเพลิดเพลินไปกับมันอยู่แค่เนี่ย มาเนี่ยตอนมือเช่ามาตอนมือเชา yeah, <M> ่ามาก็ตกมาตีเนีตีสามตีสี่เนี่ยพักก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาก็มาเนี่ยมาจับอะไรก็มันก็ลูกจับลูกจักไม่ไม่ได้กําหนดมันก็ลูกเอียเดินไปเดินมามันก็ลูกเอาไปเอามาก็ลูกเอียตัวบางทีมันก็มันก็เบา ออไปพอดีๆนี่ก็มีบางทีเบาคล้ายๆกับไม่ขาเราไม่ถึงพื้นก็กมีมันเดินไปก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาประมาณตีสาตีสี่กว่าๆเนี่ยไม่ได้ดึกไม่ได้ฝันว่าอะไรมันจะเกิดหรอกก็ดูแต่ความรู้สึกเรื่อยๆไปไ ป, ไปแล้ ว, วมันคล้ายๆกับว่า มันมีอะไรมาผูกคอแขนหนักอยู่เนี่ยผูกคออยู่เนี่ยคล้ายๆกับพายเอาบังนกขวดน้ำอันหนักๆหรืออันอะไะมันมาแขวนไว้เอาไปเอามาเดินไปเดินมามันหลุดมันขาดออกขาดออกหลุดหลุดออกไน้เกิดโดดมันก็ปังเดียงดังปู้เลยกคว่ามันมันมันเป็นให้เราตื่นก็ตื่นก็เต้นหมแล้ว ก็รู้จักนะี<โด>ยก็เดินไปเบาค้ายๆกับมันเหาะเหมือนเดินอากาศไปนี่แหละแต่ว่ามันก็ย่างเดินไปนี่แหละแต่ว่ามันมนัง่งประความปรากฎของมันสบายอกสบายใจดีอกดีใจวันนี้ก็ไปเห็นเสาเห็นเสาเนี่ยโอ้เสานี้โอ้ดีเป็นรูปเด้เนี่ยเออเสานี้ก็เป็นรูปเด้เนี่ยวันนี้มาดูไก่มาดูไ ก, ก, ก่โอ้ไก่ลอยไก่ลอยเนี่มันไม่ จะไก่จะเฉยเนี่ยมันเป็นรูปก็ก็รู้จักค่อยครู้จักเข้ามาเออเข้าไปเข้ามาเดินไปเดินมาก็ค่อยไ่อเข้าใจความรู้สึกโอ้การเคลื่อนไหวทุกอย่างมันเป็นนามมันเป็นความรู้สึกหมดเราก็เข้าใจเข้าใจแล้วก็เดินไปเดินมาความรู้สึกกับกายเนี่ยกายไปเหยียบที่ไหนก็รู้สึกโอ้อันนี้มันเป็นนามนี่ว่า เออนี่ก็เป็นน้ำอันนี้เป็นลูกมันก็เข้าใจเข้าใจแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยอคิดเห็นลูอนั่นลู่ดีอยากจะพูดอยากจะไปสอนคนยังได้ให้คนมาถามรู้จักรูปรู้จักนามมองไปมองมาตาเนี่ยเล้วไปเนี่ยก็เป็นลูกเป็นน้ำหมดหูได้ยินก็เหมือนกันอ่ะมันเป็นลูกตัวลูกเนี่ยตัวตลูกนี่มันก็เป็นมันเปลู่อยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นในเราเห็นน่ะ อันตัวนี้เป็นรูปตัวนี้เป็นนามมะโกโรนอันตัวยินยินเนี่ยมันเป็นรูปตัวเราลู่นั่นก็เป็นนามโอ้เดี๋ยวขึ้นบองขึ้นไปบนฟ้าเดี๋ยวก็รู้จักว่าอ้าวนี่ก็เป็นรูปเป็นนามเนื่ยตัวลู่เนี่ยกับตัวเห็นเนี่ยมันก็เลยเข้าใจโอ้ก็เห็นอันนั้นเราก็คิดเห็นที่เป็นเห็นบาปเห็นบุญเห็นอะไรสิ่งที่มันเป็นโทษก็รู้จักรู้จักอยากไปพูดเลี้ยง นี่แหละเรื่องเรื่องรวบเรื่องน้ําเรื่องเป็นผีเป็นสางเนี่ยเรื่องเป็นตัดในฉานเป็นตัดในโลกเป็นเปรเป็นอสุรกายเนี่ยมันมันเข้าใจเออเราเนี่ยเราเกิดมาเรามาสร้างเลื่องสิ่งเหล่านี้ด้วยเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยอันสิ่งเหล่านี้มันตั้งแต่ก่อนมันไม่มีเรามันมันมาสร้างเรียงตอนเราที่มันเกิดเป็นคนนี้ได้เนี่ย เกิดขึ้นมาเนี่ยเราสร้างเป็นหมดทุกอย่างไม่มีใครจะมาสร้างให้หราเรามาเข้าใจเข้าใจอันนี้ก็วู้ท่าคิดเห็นพ่อเห็นแม่คิดเห็นพี่เห็นน้องอคิดเห็นครูบาอาจารย์คิดเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยธรรมานี่ไม่ใช่ว่าจะได้มาจะหาบได้มาง่ายๆเอพอหามาได้นี่เอาไปใครๆไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครจะรับจะนั้นเอา ไปไต่บอกให้ค น, <บ>นฟังเขาก็ไม่เชียอไม่ <บน S 1> อะไรเนี่ยก<อ>็เคย <ไป S 2> เลยล่องให้โอ้คือเห็นพ่อเห็นแม่ถ้าไม่เห็นสิ่งนี้นี่ก็เกิดมาเล่นเฉยๆแล้วเนี่ ย, เ, ยเหมือนวัวเหมนคอยเหมือนเสือเหมือนสัตว์นั่นแหละเนี่ยลูกเต้าเขาก็มีเหมือนค น, คนเหมือนคนเหมือนกันกันกบเรามีลูกมีเมียมีที่อยู่อาศัยหาที่อยู่ที่อาศัยเหมือนคน เนี่ยแต่ที่ว่าตั้งแต่มั น, มนทํำขนงามความดีมไม่ได้เท่านั้นแหละมันก็ได้ทํางานของมันตามให้ตามยถาของสัตว์ไม่มีส ต, ติปัญญาเหมือนคนแล้วก็ลูกอันพวกเรานี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มาเจอทิงเนี่ยถิ่งที่เราอยู่เนี่ยเราจะเกิดมาเสียสัตว์เกิดไปเฉยๆ เ, ย เ, ยเยนี่ยเกิดมาไม่ใช่จาเกิดมาเล่นน่ะเกิดมานี่ เกิดมาต้องรู้วจากหน้าที่ของคนเนี่ยพ่อท่านคิดเขียนว่าคนเราเนี่ยหน้าตามันเป็นคนเนี่ยอันนี้นะจาไม่ลืมเลยตั้งแต่ผวันเกิดมันเห็นมันเข้าใจเนี่ยเรามาตาสร้างขึ้นหมดเลยเรื่องผีเรื่องสางเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรืร่อ ง, งนิพพานเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราสร้างขึ้นหมดเลยตั้งแต่ก่อนเราไม่มีเคยเราเราไม่มีก็ไม่หมดก็หมดเว้มาแล้ว เรามาสร้างเอาใหม่ตอนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเราต้องเห็นเราเกิดขึ้นมาเราต้องให้เห็นหมดทุกอย่างผีก็ให้เข้าใจว่าผีผีคืออะไรผีก็อยู่กับเรานรกก็อยู่กับเราสวรรค์ก็อยู่กับเราเราสร้างขึ้นเองหมดเลยไม่มีตั้งแต่ก่อนไม่ได้สร้างเรามาหาอยู่หากินนี่แหละเรามาทําเองเข้าใจเองทําเป็นแบบนั้นมันไปเห็นหจิตใจเห็นใจลองเห็นอารมณ์ตัวเองมันเขาขึ้นมาสัตว์เดชฉันมันเป็นยังไง เป็นเปรตเป็นเนรเป็นอสุรกายเป็นตันรกนกเป็นยังไงมันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นหมดเราทําลงไปเหล่ออานี้แหละติดเราหาจินทําการทํางานอยู่นี่แหละเราทํา <ทำ S 1> เองเร า, เราคิด เ, <ร>เองเราเราู้เอ ง, เ ร, เ, องเราเข้าใจเองตุดแล้วตั้งแต่ใครใจหาออกอันนี้ก็พอเรามาเข้าใจเรื่องนี้มันมันฝันไปตอนกลางคืนนอนหลับฝันมาได้ทําอย่างนั้นได้ทําอย่างนี้ เราไม่กล้าทําเลยเออันนี้เพราะท่านกลัวบาอาจารย์ท่านบว่าอันกเกิดมาเนี่ะเกิดมาได้ไปตั้งพบสร้างชาติคือไปเห็นความคิดตัวเราไม่กล้าเราไม่กล้าทําเออเป็นคนนี่ก็เป็นคนมาเนี่ยจะทําสิ่งที่ชัว่วสิ่งที่มันผิดทินผิดธรรมไปแล้วก็ไม่กล้าทํามันจะเป็นแบบนี้มั้งคิดไปคิดมาว้าจริงทแท้แหละก็เคยเห็นเอ๊ะ แต่นรกก็เราทางขึ้นเองนะ่ะนรกเนี่ยตกนรกนี่กับหมกไม้นี่ก็จิตใจของเราเนี่ยแหละมันไม่ติดอันอื่นเราไปสร้างเองโมโ ห, โ ห, ใ, หใครอย่างเนี้ยคิดอยากไปฆ่าอาฆาตพยาบาทคนนี้คนนี้ทำบาปอันนั้นทำหมาวันนี้สารพัดอย่างไม่จะทํานี่ก โ, กนนโกรธไอ้คนนัน้นโกรธไอ้คนนี่สรารพัดตั้งแต่มันจะเป็นมีแต่บาปทั้งนั้นแหละคิดอิจฉาคิดพยาบาทคิดอยากฟ้องร่างฟ้อง นั่นกับคนนั้นคนนี่ไปเนี้ยก็เราไม่รู้จักเราก็คิดไปตามยทากรรมของเรานั่นแหละจบเรื่องนั้นก็ไปเรื่องนั้นมาคิดจบเัาเรื่องนั้นเรื่องนั้นมาคิดวันยังค้ำเราจะอยู่กับความหลงอยู่ตลอดเนี่ยไม่คิดแต่แนวโอ้ถ้าไม่รู้จักเรื่องนี้ก็โอ้เกิดมาเล่นเฉยๆเ้ว ก็ไปก็ไปเห็นอันนั้นเห็นอันนี้ขึ้นไปเข้าใจเลี้ยงนั้นเลี้ยงมานี่ขึ้นมาเนี่ยอย่างที่เป็นสัตว์ในฉันเป็นสัตว์โลกเป็นเปรตเป็นตะลอกไก่เราก็มาสร้างขึ้นเองเราเห็นอันนี้เห็นแล้วก็โอ้ย่านกลัวไม่อยากทําสึกก็ไม่กล้าศึกเลยโอ้เป็นอย่างนี้หรอไม่ไม่ศึกหรอกทีแรกว่าเป็นจ็จ็ไปบวดพันจากพรรษาเดียวพอมันเข้าใจแล้วก็ ไม่กล้าซึกซึกไปแล้วก็เพราะว่าเราท่านน่ะจะไปอยู่เข้ากับหมูผีแล้วมันก็จะเป็นผีคือเขาผีโรคผีเล่าผียาตัวแล้วแต่มันจะเป็นล่ะจยางเดียวที่เรามาทำมันน่ะทําชั่วมาอะไรก็มันก็เป็นใจร้ายเป็นผีใจดีเป็นพระเราแต่เราทำอะไรอใจมันก็ไม่ค่อยดีอผีเราก็สร้างขึ้นมาเองเนี่ยเราอ่ะ สารพัดเองไมันจะเกิดขึ้นความคิดของเราเนี่ยคิดอิจฉาคนนั้นคิดอยากอิจฉาคนนี้อยากไปทําให้อยากไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตารพัดเองแต่มันจะพาไปกินเหล้ากินยาหาเต้นหาลาตลอดจุดเราแต่มันจะพาไปมีแต่ทำความบาปตรงนั้นแหละเนี่ยมันตรงพ่อว่าถ้าไมันไม่เห็นอันนี้เราจะไม่เข้าใจเลยเรื่องธรรมะเนี่ยอไม่เข้าใจชีวิตของเราเนี่ย ตาม <S <S เกิดมาเนี่ยตามยถากรรมตัวแล้วแต่มันจะไปไปบังคับบัญชามันไม่ได้ถ้าเราไม่ไม่รู้อะถ้ามันเรามารููเนี่ยมันจะค่อยรู้จกักเอเราไม่ก็ถ้ามันตายไปนี่นเราก็ไม่ตกต่ําเท่าไราเราดี <TS> ๆแล้วเนี่ยเข้ามาเนี่ยเราเกิดมาเนี่ย ก็ว่าบุญรัตนนาบารามีของเขาเนี่ยเราเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยรสร้างพออแล้วเนี่ยมาเข้ามาถึงตายสายเนี่ยเข้ามาว่าประพึกปฏิบัติกิตใจของเราเนี่ยสิ่งไหนที่มันเคยทำบาปมาแล้วเราจะไม่ทำเราก็รู้จักชีวิตจิตใจของเรารู้จักห้ามใจตัวเองเอรู้จักไปไหนมาไหนอย่างเนี้ยสิ่งที่ไม่ควรไปเราก็ไม่ไม่ไปไม่ควรทำเราก็ไม่ทา จะพูดจะปากแกว่าอะไรก็เนี่ยเราเนี่ยว่าจะไม่ให้มันผิดใจคนอื่นเลยไม่อิ่บบังเบียบตนและผู้อื่นทำให้มันดีถูกต้องไปรบมันก็สบายทุกอย่างเนาะเกิดขึ้นมาเนี่ยเราอยากเราทำแต่ความชั่วไปร้ายเอาความดีเนี่ยมาแปรมันไม่ไม่ไม่ได้รอกเความชั่วมาหุ้มหมดไม่เห็นเลยเนี่ย เพราะฉะนั้นพวกเราตั้งอกตั้งใจอย่าเห็นแต่แก่ความง่วงเงาเห่อนอนเนี่ยบุญหลายยิ่งคิดได้มาเนี่ยเนี่ยดีก็เทวดาดีก็พรก็ พ, พระอินทร์พระพรหมที่เรามาทำแบบนี้เพราะนี่เราเป็นมนุษย์เนี่ยดีดีเลิศกว่าเทวดาถ้าเรามาแบบมามาทำแบบนี้ดีก็เป็นพระอินทร์พระพรหม ดีไปอีกเพราะว่ า, าเราเนี่ยทำไปถึงฮอดถึงพระนิุพานธุ์ถ้าตายไปแล้วถ้าเรายังไม่ถึงกิเลสเรายังไม่ยังไม่เต็มเนี่ยยังไม่หมดเนี่ยเราก็ยังมาเกิดมาอีกมาเกิดอีนี่ตับุนวัฒนาบารมีเราทั้งแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเด้วต่อนี่ไปอีกเป็นคนเข้ามาแล้วอสองครัง้งสามครัง้งเมื่อค่อยระ ด, ดับจิตของเราเนี่ยมันค่อยสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเไป ถ้าตายแล้วแล้วก็ไปใช้ศาสตร์ใช้กรรมแล้วกอนน็อันนี้ก็ยังมีอยู่ไม่เหมือนพวกที่เกิดมาไม่ได้มาปฏิบัติสร้างแต่น้ําทำบุญอยู่แ น, น่ะพวกนี้สร้างน้ําทํา บ, บุญหลายๆหลายๆแล้วก็ตาม อ, อมาเป็นเจ้าเป็นนายเกิดมาเป็นเทวดาเป็นอินเปนพมนี่ก็ตามถ้าเราถ้าหมดกรรมแล้วก็เขาก็ไล่ลงมาอยู่พื้นมนุษย์นี่แหละมาหาเกิดใหม่มาสร้างใหม่เขาเนี้ย ทำบุญนั่นนนัเป็นนั่นมันอย่างท่านทำบุญเนี่ยก็อยู่ในนั่ น, นก็ได้เป็นเป็นคนร่ําคนรวยเป็นคนมีอยู่มีกินไม่อุดไม่อยากอยู่ในเมืองมนุษย์เราเนี่ยแต่ว่าเอาไปไม่ได้เป็นต้นแบบของโลกตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เป็นต้นแบบของโลกข อ, ของโลกของเต่าของหลานให้คนเขาที่ยังอยู่ส่วนตัวเราไปก็ไปเซิเวยบุญแล้วก็ลงมามาเกิดเป็นอันเ ด, เดียวนั่นแหละถ้า เกิดมาแล้วไม่ได้มาติดต่ออย่างนี้ยทําความชอบไปก็มีไปอออะเล่ด้วยคือมาก็เกิดเป็นคนจองห้องมีมนานัดจีตือเนื้อตัวตัวอยดูถูกดูหมิ่นก็ไม่ได้เออ อ, อืก็เอามีเงินมีทองก็ไปให้จ้างให้เขามาเอฆ่ามาแจงเงินแบบนั้นนะอานาอดตายไปแล้วก็ลงไปอยู่เมืองอาวีจีนั่นแหละ เป็นเป็นเป็นอินเป็นผมได้ก็ไม่ได้เวนเจ้าแล้วจะได้ไปเป็นไปนิพพานเนี่ยเพราะว่าไม่รู้จักจิตตัวเองโกรธกบฏจักเมื่อได้ฝึกจิตฝึกใจตัวเองจะไม่เห็นเลยมีแต่ความมีมนต์ทิศความทื่อนัวทือตัวเห็ยนน้อยก็ไปติดยึดมั่นถือมันในสิ่งนั้นหมดในโลกนั่นอ่ะจะหนีไปไหนก็หนีไปไม่ได้คิดเห็นเรื่องนั้นคิดเห็นอันนี้สิ่งของที่หลายๆไม่รู้ว่าใครจะมาคลองให้อ ก็ต้องมานี่แหละกลับขึ้นมาอยู่อย่างเดิมเนี่ยเพราะฉะนั้นกรรมาใครกรรมของมันไม่มีใครจะทำให้ได้ไงให้พยายามทำนี่แหละโชคโชคดีแล้วไม่มีสิ่งที่จะเอามาเนี่ยว่าความคุดความเข้าใจให้กันฟังง่ายๆเราเนี่ยอย่าไปติดอะไรตั้อย่างเดียวให้รู้ให้เห็น ชีวิตจิตใจของเรามันเป็นยังไงนะ่ะให้มาฝึกมันเนี่ย <tom> เรามีกายเนี่ยกายกับใจเนี่ยรูปขับนามเนี่ยเดิ น, ไ ป, นไปเดินไปเนี่ยให้เร็วจกัวจกตัวรู้นั่นตัวหนึ่งตัวเคลื่อนไหว น, นั่นตัวหนึ่ง <S <S ให้หาเอาเออภาษาธ ร, รรมะเขาเอื่อนว่ากายกับใจภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าโอา้ยภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอ่านั่นแหละเดียกวภาษาธรรมะนั่นน่ะ เขาเรียกว่ารูปก like ับนามภาษาชาวว่าน like like <'s> ั่นเขาเรียกว่ากายกับใจแต่เดินไปเนี่ยมันรู้รู้สึกคนตายไปมันมันรู้สึกดอกคนตายไปแล้วอ่ะก็เพราะว่ามันมีสองไม่มีอยู่ด้วยกันทั้งสองอันทั้งกายทั้งใจของเรามันอยู่ด้วยกันเนี่ยอะไรเป็นกายอะไรเป็นใจเท่านี้แหละหาเอาเท่านี้ยมันอยู่กับเราอ่ะให้เห็นเห็นตามความเป็นจริงมันมันเป็นยังไงแล้วก็อยู่กับตัวนั้นอ่ะอาศัยตัวนั้นอ่ะเขาเรียกว่าอารมณ์รูปนาม มันโกรธมันอะไรมันเชียดมันอยากไปอิจฉาพยาบาทใครก็ให้เรารู้เอาเองก็ให้เรามาอยู่กับตัวนี้มาอาศัยตัวนี้ดูการมันเคลื่อนไหวเวลามันจะโกรธไอ้คนเนี่ยมันออกนอกไปแล้วไปอยู่เป็นความคิดไปแล้วเราก็ค่อยดูไปดูไปดูไปอืมเราไม่ไปที่ไหนเนี่ยมันก็มีที่พักที่อาศัยมันก็เป็นปกติอะไรเกิดขึ้นมามันก็ค่อยเห็นไปของสองสิ่งนี้อยู่ด้วยกันเนี่ย อะไรเกิดขึ้นมาน่ น, นะก็เห็นเห็นตามกลมเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นอันดีก็มีอันชั่วก็มีเราไม่ต้องเอาเพียงพ่อเห็นเท่านั้นก็พอแล้วไม่เป็น